ถ้ายังทําไม่ได้อย่าหวังว่าจยากได้โลกุตตรนิพพานเลยถ้าทำได้ให้เหมือนแผ่นดินได้ในการใดพึงหวังเถิดซึ่งโลกุตตรนิพพานคงได้คงถึงในการนั้นโดยไม่ต้องสงสยัย พระนิพพานเป็นของได้ด้วยยากยิ่งนักแสนคนจะได้แต่ละคนนั้นก็ทั้งยากดูก่อนอันนั้นผู้มีได้ทำอริยมรตปฏิปทาให้เต็มที่ยังเป็นปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสหาปัญญามิได้และวแตวางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นไม่อาจทำได้เลยเหตุที่เขาวางใจไม่ได้เขายังถือตัวถือใจอ ย, อยู่ว่าเป็นของของตัวแท้ ึงต้องทรมานทุกข์อยู่ในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วเล่าๆไม่มีที่สิ้นสุดดูก่อนอนุอ น, นผู้ผที่วางใจ ทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้นั้นมีแต่บุคคลผู้เป็นนักกลาดและเป็นสัตบุต ร, รพวกเดียวเท่านั้นเพราะท่านไม่ถือตัวถือตนท่านวางใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้ท่านจึงได้ถึงพระนิพพานส่วนพวกที่ถือตัวถือใจปล่อยวางไม่ได้นั้นล้วนแต่เป็นคนโง่คนเขาสิ้นทั้งนั้นบุคคลที่เป็นสัตรบรุุษท่านเห็นแจ้งชัดซึ่งอนัตตา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 ถือว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตนจึงปล่อยวางไม่ได้ดูก่อนอนนันอันว่าบุคคลที่ถือใจนั้นย่อมเป็นคนมักโรภมักโกรธมักหลงบุคคลจำพวกใดที่ตกอยู่ ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นค้ารือหัดก็ตามก็หาความสุขมิได้เบื้องหน้าแต่ตายไปก็หาความสุขในมนุษย์และสวรรค์มิได้เลยย่อมมีอบายเป็นที่ไปณเบื้อ ง, นะงหน้าโดยแท้ดูก่อนอนนลบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานจงวางเสียซึ่งใจ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 เมื่อจะถือเอาความสุขในพระนิพพานแล้วก็ให้วางใจในโลกียะน้เสียให้หมดสิน้นอันว่าความสุขในโลกียะนี้ก็มีอยู่แต่ในอินทรีย์ทั้งหกนี้เท่านั้นในอินทรีย์ทั้งหกนั้นยกเอาใจไว้เป็นเจ้าเอาประสาททั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นกามคุณทั้งห้าประสาททั้งห้านั้เอง เป็นผู้แต่งความสุขให้แก่เจ้าพระยาจิตรราชประสาท ต, ตานั้นเขาได้เห็นได้ดูรูปวัตถุสิ่งของอันดีงามต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตรราชประสาทหูนั้นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังสับเสียงเสียงที่ไพเราะเป็นที่ชื่นชมทั้งปวงก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพยาจิตรราชประสาทจมูกนั้น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 ส่วนความสุขในโลกนี้มีแต่การมาคุณทั้งห้านี้เท่านั้นจะเป็นเจ้าประเทศสราดในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลกก็มีแต่การมาคุณห้านี้เท่านั้น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 ก็เป็นอันละทุกวางสุขด้วยเหมือนกันใครเล่าจะมีความสามารถพลากสุขทุ ก, ทกออกจากกันได้รเราตถาคต ก, ก็ไม่มิเศษที่จะพลากจากกันได้ถ้าหากเราตถาคตพลากสุขและทุกออกจากกันได้รเราจะปาถนาเข้าสู่พระนิพพานทำไมเราจะถือเอาแต่สุขอย่างเดียวเสวิยแต่ความสุข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 ดูก่อนอมันอันสุกในโรกีนั้นถ้าตรวจสองให้แน่นอนแล้ว ก็หากเป็นกองทุกข์นั่นเองเขาหากเกิดมาเป็นมิตรติดกันอยู่ไม่มีผู้ใดจกพากออกจากกันได้เราตถาคตกลัวทุกข์เป็นอย่างยิ่งหาทางชนะทุกข์มิได้จึงปรารถนาเข้าพระนิพพานเพราะเหตุกลัวทุกข์นั้นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัตเทศนาะแก่ข้าอานนดังนี้แล จึงตัดเทศนาสืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอ น, นุนกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นได้แก่กองกิเลสพันห้าร้อนั้นเองอัพญักตรธรรมนั้นก็คือองค์พระนิพพานพลันพ้นจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นแลว้วยึงเป็นองค์แห่งพระอรหันต์แลพระนิพพานโดยแท้ หากไม่พ้นจากอกุศลและอกุศลกราบใดก็ยังไม่เป็นอัิญญาิตธรรมตราบนั้นคือยังไม่เป็นองค์พระอรหังยังไม่เป็นองค์พระนิพพานได้ดูก่อนอ น, นุนุนอกุศลนั้นได้แก่กองสุขอกุศลนั้นได้แก่กองทุกข์กองสุขและกองทุกขนั้นหากเป็นของเกิดติดเนื่องอยู่ด้วยกัน ไม่มีใครจักพลาดให้แตกออกจากกันได้ท่านถือเอากุศลคือกองสุขแล้วส่วนอกุศลคือกองทุกนั้นแม้ไม่ถือเอาก็เป็นอันได้อยู่นั่นเองดูก่อน อ, อนนลเมื่อบุคคลต้องการพระนิพพา น, ก, นก็ให้วางเสียซึ่งความสุขนั้นก่อนความสุขในโลกียะนั่นเองชื่อว่ากุศลจึงจักถึงพระนิพพาน ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือไม่อาจทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็ให้ยึดเอากุศล น, นั้นไว้ก่อนพอให้ได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์แต่จะให้พ้นทุกนั้นไม่ได้ถ้าแลเมื่อรู้อยู่ว่าตนจักพ้นทุกไม่ได้ก็ให้ยึดเอากุศล น, นั้นไว้เป็นสะพานสำหรับไปไปสู่ความสุขถ้ารู้ว่าตนยังไม่พ้นทุกซ้ำมาวางกุศลเสีย ก็ยิงสํำร้ายเพราะเมื่อวางกุศลเสียแล้วตนก็จักเข้าไปหากองอากุศลคือกองบาปเท่านั้นเมื่อตกเข้าไปในกองอากุศลอากุศล น, นั้นก็จักนำตัวไปทนทุกเวทนาในอบายภูมิทั้งสี่หาความสุขในโรคมิได้เลยเพราะเหตุดังนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้บำเพ็ญบุญกุศลไว้เพราะที่จะได้อาศัยเป็นสุขสบาย ไปในชาตินี้แลชาติหน้าดูก่อนอนอน์เราจะถาคตจยากแสดงในข้ออันเป็นที่สุดแต่โดย aw, ยอ่อๆพอให้เข้าใจง่ายๆที่สุดนั้นก็คือจิต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 เราพิจารณาด้วยญาณจักสุปัญญาและเห็นแจ้งชัดว่าสุขและทุกข์ติดอยู่ด้วยกันครันรู้แจ้งแล้วก็ตึกตองหาอุบายที่จะกำจัดสุขและทุกข์ให้พากออกจากกันนั้นแสนยากแสนลำบากเหลือเกินจนสิ้นปัญญาหาทางไปหาทางมาไม่ได้เราตถาคตจึงวางเสียซึ่งสุขคืนให้แก่ทุกข์คือวางใจให้แก่ตัณหา ท่านเราวางใจไว้ให้แกตันหาแล้วความสุขในพระนิพพานก็เลยเข้ามารับเราให้ถึงนิพพานดิบในขณะนั้นพร้อมกับด้วยเราวางใจไว้ให้แกตันหาดูก่อนอนนนเมื่อวางใจได้จึงเป็นอัพยากิดจึงเรียกชื่อว่าถือเอาอัพยากิดเป็นอารมณ์เป็นองค์พระอรหรันต คือได้เข้าตั้งอยู่ในพระนิพพานด้วยอาการดังนี้ ได้มีเฉพาะแต่เราตถาคตองเดียวนั้นก็หาไม่ได้ย่อมมีเป็นของสำหรับโลกสำหรับไว้โปรสัตว์โลกทั่วไปไม่ใช่ของแห่งเราตถาคตและผู้หนึ่งผู้ใดเลยดูก่อ น, อนุนเราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วจึงได้ซึ่งพระอรหันต์บุคคลผู้ใดปราศจากกิเลสแล้วบุคคลผู้นั้น ก็เป็นผู้ได้พระอารหันต์เสมอด้วยกันทุกคนบุคคลผู้ใดที่ยังไม่ปราศจากกิเลสถึงแม้จะอ้อนวอนเราตถาคตว่าอารหังอรหันต์ดังนี้จนถึงวันตายก็ไม่อาจได้ซึ่งพระอารหันต์เลยเป็นแต่กล่าวด้วยปากเปล่าๆ เ, เท่านั้นและมาเข้าใจว่าการละกิเลสได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นประมาณ เมื่อได้อ่อนวอนหาซึ่งองค์พระอรหันต์เจ้าด้วยปากด้วยใจแล้วพระอาหารหันต์ก็จักนำเราให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าใจเสียอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงแท้แม้เมื่อตนยังไม่พ้นลามกบนทินแห่งกิเลสแล้วไปอ่อนวอนพระอาหารหันต์ที่หมดมนทินกิเลสให้มาตั้งอยู่ในตัวตนอันแปดเปื่อนด้วยลามกบนทินแห่งกิเลสจักมีทาง ได้มาแต่ไหนเปรียบเหมือนดัง่งมีสะอยู่สะหนึ่งเต็มไปด้วยของเนา่าของเหม็นสารพัดทั้งปวงเป็นสะที่มีน้าเนา่าเหม็นสาเหม็นขาวน่าเกลียดอิ่งนักและมีบุรุษคนหนึ่งตกอยู่ในสะนั้นหากว่าบุรุษคนนั้นร้องเรียกให้อานนลงไปอยู่ในสะน้ำเนา่ากับเขาด้วยอนนจะไปอยู่กับเขาด้วยหรือดูก่อนอนน เราจะบอกให้สิ้นเชิงถ้าอนนลลงไปอยู่ในสะด้วยกับบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยน้ำเน่าได้ดังนั้นองค์พระอรหันต์เจ้าก็อาจไปตั้งอยู่ด้วยกับบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันถ้าอนนลลงไปอยู่ด้วยกับบุรุษผู้แปดเปื้อนไม่ได้องค์พระอรหันต์เจ้าก็ไม่อาจไปตั้งอยู่ด้วยกับบุคคลผู้แปดเปื้อน ด้วยราคะกิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้นดูก่อนอนอนต์ท่านจะอาจลงไปอยู่กับบุรุษผู้แปลกเปื้อนได้หรือไม่มีพุทธฎีกาตรัสถามฉนันนี้ข้าอนอนต์จึงกราบทูลว่าลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าท่านไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็กล่าววิงวอนท่านอยู่ร่ำไปจะสําเร็จหรือไม่ถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 อานนนไม่ลงไปอยู่ด้วยกับบุรุษผู้แปดเปื้อนนั้นฉันใดพระอรหันต์ท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกีเบกฉันนั้นแม้จะลิงวอนด้วยปากด้วยใจสักเพียงไรก็ไม่สําเร็จพระอรหันต์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วท่านไม่น้อมเข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยครั้นบุคคลผู้ใดปราถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคน จะเข้าใจว่าพระอาหารหันต์ท่านเลือกหน้าเลือกบุคคลจะติเตียนอย่างนั้นไม่ควรถ้าแลผู้ใดพ้นจากกิเลสกามและพัสดุกรมได้แล้วชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็ได้โปรดนำเข้าสู่พระนิพพานสวยสุขอยู่ด้วยกับท่านไม่เลือกหน้าบุคคลเลยเป็นแต่ผู้จมอยู่ด้วยกิเลสรามกกากกิเลสไม่ได้ ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเองดูก่อนอานน์ถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงโปรดให้ตถาคตนี้ได้เป็นครูแก่โลกเห็นปานิหานี้เพราะว่าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ดีและจจกให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้แบบทำเนียมด้วยสมควรแต่ผู้เร็วสามต่ำช้า จะเข้าไปหาท่านผู้ดีผู้สูงศักดิ์โดยส่วนเดียวข้าแต่มหากระสปะเจ้าผู้มีอายุพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล บุคคลใดปรารถนาซึ่งพระอรหันต์ก็พึงยกตัวแลห้ามใจให้ห่างไกลจากกองกิเลสเพราะพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะบริกรรมแต่ด้วยปากด้วยใจว่าอรหันต์อรหรันต์แล้วเข้าใจว่าตนได้เป็นพระอรหรันต์เห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจักได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพาน จะทำความเข้าใจอย่างนี้ไม่สมควรพระนามชื่อว่าพระอาหารหันต์นั้นเราบอกไว้ว่าให้รู้ว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะถือเอาแต่พระนามว่าอาหารหันต์อาหารหันต์แล้วเข้าใจว่าตนได้สำเร็จเช่นนี้ไม่ควรเพราะคำว่าอาหารหันต์ใครๆก็กล่าวได้อย่างนีเป็นพระอาหารหันต์กันเต็มโลกกรึอดูก่อนอ น, นุน พระอรหันต์ก็คือเราตถาคตนี้เองเหตุที่เราปราศจากากิเลสสาะกิเลสสิ้นแล้วเราจึงได้ถึงที่สุดแห่งพระอรหันต์องค์พระอรหันต์กับเราตถาคตก็หากเป็นอันเดียวกันจะร้องเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นเราตถาคตก็ไม่ผิดหรือจะร้องเรียกเราพระตถาคตเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ผิดผู้ใดละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้ว ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพระอรหันต์สิ้นด้วยกันจะได้ถึงพระอรหันต์แต่เราตถาคตองค์เดียวหาไม่ได้จงเข้าใจองค์แห่งพระอรหันต่งเราตถาคตสแสดงมานี้เถิด อ, อนุนสิ่ ง, งที่ให้สัตว์ตวโรคเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารทรมานทุกอยู่ในนรกและกำเนิดสัตว์เดริชานแล้วแล้วเล่าไม่รู้จักสิ้นสุดนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นคือตัวกิเลสและตัณหาหล่อหลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ให้พ้นทุกภัยในวัฏสงสารและไม่ได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดไม่ไดรู้กองกิเลสแล้ว ผู้นั้นก็จักประสบภัยได้รับทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ไม่ได้มีเวลาสิ้นสุดดูก่อนอนท์จงจับตัวตันหาให้ได้ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จักเห็นได้ว่าตัวเป็นอนัตตาถ้าจับไม่ได้ก็เห็นตัวเป็นอนัตตาไม่ได้บุคคลทั้งหลายที่มาเป็นสานุสิทธิแห่งพระตถาคตนี้ก็มีความประสงค์ด้วยพระนิพพาน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 ถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถทศีลคือศีลแปได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สองชั้นถ้ามาตั้งอยู่ใน ท, ทศศีลคือศีลสิบผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สามชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาฏิโมกผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สี่ชั้นพ้นอนิสงก็มีเป็นลาดับขึ้นไปตามศีนนั้น ผู้ที่มีสีนน้อยอานิสงก็น้อยผู้ที่มีสินมากอานิสงก็มากขึ้นไปตามส่วนของสินบุคคลที่มีได้ตั้งอยู่ในสีนห้าถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดีก็ไม่ควรที่จะกล่าวคาประมาทแก่ผู้ที่มีสินห้าผู้ที่มีสีนห้าก็ควรยินดีแต่เพียงชั้นสีนของตนไม่ควรที่จะไปกล่าวประมาท ในท่านผู้มีศีลแปผู้ที่มีศีลแปก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านผู้ที่มีศีลสิบผู้ที่มีศีลสิบก็ควรยินดีอยู่ในชั้นศีลของตนไม่ควรที่จะไปกล่าวประมาทในท่านผู้ที่มีศีลพระปาติโมกถ้าแลขืนกล่าวโทษติเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตนชื่อว่าคนหลงทางเป็นคนห่างจากทางสุขในมนุษย์ และสวรรค์และพระนิพพานโดยแท้ดูก่อ น, นอนุนบุคคลผู้ที่ไม่มีศีลปราศจากการรักษาศีล ไม่ควรกล่าวคำประมาทแก่ท่านผู้มีศีลตัวตั้งอยู่ภายนอกศีลแล้วมาเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้มีศีลแล้วกล่าวถ้อยคำศบประมาทดูหมิ่นในท่านผู้มีศีลบุคคลจำพวกนั้นได้ชื่อว่าเป็นเนจ้ามิจฉาทิฏฐิใหญ่หญชื่อว่าเป็นคนหลงทางเป็นผู้ผห่างจากาความสุ ข, สขในมนุษย์และสวรรค์ ดูก่อนอ น, อนุนบุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกสี น, นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งกิเลสยังเป็นผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตามก็ไม่ควรถือตัวว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้มีสีนเหตุว่าผู้ที่ไม่มีสี น, นั้นยังห่างไกลจากพระนิพพานมากผู้ที่มีศีน คิดว่าใกล้ต่อพระนิพพานอยู่แล้วถึงจะไม่รู้อะไรรู้แต่เพียงศีลเท่านั้นก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีศีลอยู่นั่นเองเพราะท่านเป็นผู้บางจากกิเลสบุคคลผู้แน่นหนาไปด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้รู้มากแตกฉานในข้ออัดและข้อธรรมประการใดก็ตามก็ควรจะทำความเคารพยำเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามทํานองครองธรรม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 ถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวนั้นไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสเป็นประมาณเพราะว่าผู้จะถึงพระนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้วแม้ไม่ได้มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้อันจะพ้นทุกข์ในนรกและได้เสวยสุขในสวรรค์และพระนิพพาน ก็เพราะละเสียได้สึ่งกิเลสอย่างเดียวสิ่งที่ให้คนเราได้รับความสุขได้รับทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสครันระงับดับกิเลสได้แล้วเป็นเหตุให้ได้ประสบสุขและพ้นจากทุกเมื่อละกกิเลสไม่ได้สุขก็ไม่ได้ทุ ก, ก็ไม่พ้นดูก่อนอนนการที่จะได้ประสบสุขก็เพราะการละกิเลสต่างหากที่มีความรู้ แต่ไม่ได้ละกิเลสย่อมไม่เป็นประโยชน์แม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ผู้มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสงพระคำพีหรือมีความรู้หาที่สุดมิได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าๆจะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้และจะให้เป็นบุญเป็นกุศลและได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มี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 ถาถืออย่างนี้ผิดทางแห่งพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฏฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสว่าดีกว่าผู้ปรารถนาจากกิเลสเราตถาคตไม่สันเสริญเลยบุคคลจำพวกที่เบาบางจากกิเลสใกล้ต่อพระนิพพานเราตถาคตสันเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือการที่ทําบุญทําทานทํากุศล ปรารถนาเพื่อที่จะให้บุญกุศล น, นั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลสก็เป็นอันบำเพ็ญเสียเปล่าได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องละกิเลสเสียให้สิน้นถ้ายัางละไม่ได้ก็ไม่ถึงพระนิพพานถึงจะรู้มากสักเท่าใดก็ตามถ้ายัางละกิเลสไม่ได้ ก็รู้เสียเปล่า เ, าเราตถาคตตั้งศาสนาไว้ไม่ได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่นตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระงับดับกิเลสตัณหาเท่านั้นการบำเพ็ญภาวนาเมื่อไม่คิดว่าจะให้ระงับดับกิเลสตัณหาแห่งตนก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทาง ส่วนกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานั้นจะว่าไม่ได้ไม่มีเช่นนั้นก็ไม่ปฏิเสธอันที่จริงก็หากเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้แต่ว่าเป็นทางหลงจากพาลันิพานเท่านั้นการกระทําความเพียรบำเพ็ญภาวนาทําบุญทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ให้รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนา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 ก็พึงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนนอกพระพุทธศาสนาดูก่อนอ น, อนันเราจะหาคตบัญญัติศีลห้าศีลปศสีสิ0ศี 8, 10, พระปาฏิโมกไว้หลายประเภทนั้ น, น<อ> ก, ก็เพราะอยากให้ศัตว์ยกตนออกจากกองกิเลสถ้าบุคคลจำพวกใดตั้งอยู่ในศีห้าบุคคลจำพวกนั้นก็บางจากกิเลสชั้นหนึ่ง ตั้งอยู่ในศีล8ปก็บางจากกิเลสสองชั้นตั้งอยู่ในศีลสิบก็บางจากกิเลสสามชั้นผู้ตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกก็บางจากกิเลสสชั้นดูก่อนอ น, อนนนบุคคลผู้บำเพ็ญศีลน้อยศีลมากประเภทใดประเภทหนึ่งก็เพื่อให้รู้ซึ่งการละกิเลสและยกตนให้พ้นจากกิเลสเมื่อไม่รู้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลง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 ก่อนอ น, นุนกุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นสิทธิของเราตถาคตนี้ก็หวังเพื่อความระ ง, งับดับกิเลสไม่อยากเกิดในโลกสืบต่อไปเพราะกิเลสนั้นเป็นเชื้อสายสืบโรคบันดลบัรดาลใจให้ยินดีไปในทางโลกขั้นเกิดมาแล้วก็ให้เจ็บไข้แกตายและจิบหายพลัดพรากจากกันให้รักให้ชังให้อด ให้ตีให้ดาให้ยากให้ทุกข์ให้ยากเข็นใจอาการกริยาแห่งกิเลสเป็นเช่นนี้เราตถาคตจึงทรงอนุญาตให้บวชเพื่อความระ ง, งับดับกิเลสไม่ให้เกิดมีเป็นเชื้อสายสืบโลกต่อไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจรักษาศีลเพื่อให้ดับกิเลสและตรึกตองหาอุบายเพื่อทำลายกิเลสอันเป็นต้นเขา ให้ขาดศูนย์การรักษาศีลพระปัติโมก็ดีการรักษาข้อวัดในทุดงสิบสานั้นก็ดีก็เป็นอันประมวลลงในศีลนั้นทุกอย่างมิใช่ว่าจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอย่างจนสิ้นจนหมดหามิได้รักษาศีลพระปัติโมก็ดีรักษาทุดงขวัตสิบสาก็ดีก็ไม่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพื่อความระงับดับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อรู้ว่ากิเลสเป็นเข้าเงื่อนแห่งกองทุกกองโทษกองบาปกองกรรมเช่นนั้นแล้วข้อวัดอันใดที่เป็นไปเพื่อจะยกตนออกจากกิเลสได้ก็จงกระทำข้อวัดอันนั้นให้บริบูรณ์เถิดการรักษาศีลพระปฎิโมกข์ละการรักษาทุดงควัททุกอย่างเมื่อมีได้เข้าใจว่าเพื่อความระงับดับกิเลสก็ชื่อว่าเป็นการรักษาเปล่าเปล่า เมื่อเรารู้ว่ารักษาเพื่อระ ง, งับดับกิเลสไม่ได้รักษาเพื่ออย่างอื่นแล้วแม้จะรักษาแต่เล็กแต่น้อยโดยเอกเทศไม่ครบตามจำนวนในพระปาฏิโมกในจำนวนแห่งธุดงควัดก็ได้ชื่อว่าเป็นอันรักษาครบทุกอย่างเพราะจับตน้นจับรากเง่าแห่งกิเลสได้แล้วเปรียบดังบุรุษตัดต้นไม้ถ้าตัดเง่าตัดรากแก้วขาดแล้วกิ่งก้านสาขา แม้ไม่ต้องตัดก็ตายเองถ้าไปตัดร้อนแต่กิ่งก้านสาขารากเง่าไม่ได้ตัดต้นไม้นั้นก็อาจจะงอกงามขึ้นได้อีก บุคคลที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดต้นไม้ฉะนั้นการบวชมิใช่มุ่งประโยชน์อย่างอื่นบวชเพื่อระ ง, งับดับกิเลสเท่านั้นถ้าไม่หวังเพื่อความดับกิเลสแล้วไม่ต้องบวชเสียดีกว่าการที่บวชโดยไม่ได้มุ่งเพื่อดับกิเลสแม้จะมีความรู้วิเศษสปานใดก็ได้ชื่อว่ารู้เปล่าๆแต่ว่า การที่จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดนั้นเราไม่ได้ติว่าเป็นความรู้ไม่ดีไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลก็คงเป็นความรู้อันดีเป็นบุญเป็นกุศลอยู่นั่นเองแต่ว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากทางพระนิพพาน ก่อนอ น, อนนล์กล่าตถาคตเทศนาไว้โดยเอเนกปริยายนั้นก็เพื่อจะให้หมูปุตชนคนเขาเห็นเป็นอัศจรรย์และเพื่อให้ได้รับความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อพานชนทั้งหลายไม่เห็นเป็นอัศจรรย์แล้วก็จกไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระตถาคตถ้ากล่าวแต่น้อยพอเป็นสังเข็ก็ไม่เข้าใจไม่เหมือนผู้มีบุญวาสนา แม้จะกล่าวแต่เพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้มากมายหลายอย่างหลายในธรรมชาติผู้ที่มีปัญญาแท้ไม่ต้องกล่าวอะไรเลยก็รู้ได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่ต้องให้กล่าวเป็นการลำบากเราแต่ถาคตได้รับความละบากก็เพราะพานปุจุชนเท่านั้นว่ากล่าวสั่งสอนแต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่เข้าใจใเพราะเขาถือเสียว่าเขาดีเสียแล้ว แท้ที่จริงความรู้ของเราพานชนจะรู้ดีสักเท่าใดก็ดีอยู่แต่เพียงมีลมอสซาสะปัสสาสะเท่านั้นถ้าลมอสซาสะปัสสาสะขาดเสียแล้วก็มีแต่เน่าเป็นเยื่อนนอนนอนกลิ้งเหนือแผ่นดินจะหาสาระสิ่งใดไม่มีเลยมีแต่เครื่องอสุจิเต็มไปสิ้นทั้งนั้นจะถือว่าตัวมีความรู้ความดีเมื่อมีความรู้ความดีแล้ว จากไม่ตายเลยจะมีความรู้มากรู้ไม่เท่าใดก็คงไม่พ้นตายไปได้จะมีความรู้ดีวิเศษไปเท่าใดก็รู้ไปหาตายทั้งสิ้นจะมีความรู้ความดีไปเท่าใดก็รู้อยู่บนแผ่นดินจะรู้จะดีให้พ้นแผ่นดินไปไม่ได้เมื่อลมยังมีก็อยู่เหนือแผ่นดินเมื่อลมออกแล้วก็คงอยู่เหนือแผ่นดินนั่นเอง จะพ้นจากแผ่นดินไปไม่ได้และจะมือถือตัวว่าตนอยู่นั้นเพื่อประโยชน์อะไรส่วนของเน่าของเหม็นมีอยู่เต็มตัวก็ไม่รู้ไม่เห็นเห็นแต่ว่าตัวรู้ตัวดีถือเนื้อถือตัวอยู่เราตถาคตเบื่อหน่ายความรู้ความดีของพานปุตชนมากนะัก ธรรมดาบุคคลผู้ที่เป็นนักปราบมีปรีชาทั้งหลายย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเรารู้เราดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะมีความรู้มากมายเท่าใดก็มิได้ถือเนื้อถือตัวเหมือนกับผานปุตชนพวกพานปุตชนที่เขาห่างไกลจากพระนิพานก็เพราะเหตุที่เขาถือเนื้อถือตัวการถือเนื้อถือตัวมีมากเท่าใด ก็ยิ่งทําให้ห่างไกลจากพระนิพานมากเท่านั้นเหตุว่าประตูเมืองพระนิพานนั้นแคบนักหนาผมเส้นเดียวพาออกเป็นสามเสี่ยวเอาแต่เสี่ยวเดียวไปแยงเข้าที่ประตูพระนิพานก็ยังขับแคบเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการพระนิพานแล้วไม่ควรจะถือตัวว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงศักดิ์กว่าท่าน ยิ่งถือตัวถือตนขึ้นมากเท่าใดก็ยิ่งให้ขับประตูพระนิพพานเข้าไปเท่านั้นจึงว่าพานปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากพระนิพพานด้วยเหตุที่เขามัวถือเนื้อถือตัวว่าตัวรู้ตัวดีอยู่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 มาทำกิจอย่างหนึ่งเมื่อตัดได้แล้วก็ถากเปลือกและกระพี้ทิ้งเสียเหลือไว้แต่ที่ต้องการแล้ววัดตัดเอาแต่พอแกการงานของตัวเท่านั้นไม่ต้องลำบากแกการแบกการหามส่วนบุคคลผู้ที่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าต่อการงานที่จะพื้นกระทำเมื่อไปตัดไม้ได้แล้วจะถากเอาแต่สิ่งที่ต้องการก็กลัวจะเสีย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 ดูก่อน อ, น, อนุนการที่จะรักษาแก้วไม่ดีไม่มีราคาแม้จะรักษาไว้มากมายสักพันดวงก็สู้ผู้ที่รักษาแก้วที่ดีที่มีราคาดวงเดียวไม่ได้แก้วที่ไม่ดีไม่มีราคาจะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์ตกลงต้องรักษาไปเปล่าๆส่วนแก้วที่มีราคานั้นจะขายก็ได้เงินมาก หากจะเก็บไว้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและการเรียนมนและเรียนคาถาที่ไม่ดีไม่ขลังแม้จะเรียนตั้งร้อยตั้งพันบทก็สู้มนและคาถาที่ดีที่ขลังเพียงบทเดียวก็ไม่ได้แม้การที่รักษาพระวินัยบัญญัติและข้อวัดก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อรู้ประโยชน์แห่งศีลและข้อวัดแล้วก็ไม่ต้องรักษามาก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 ผู้ที่ไม่รู้จักบุญและบาปนั้นมาทำความเข้าใจว่าบวชรักษาข้อวัดรักษาศีลอาบุญบุญนั้นก็มีอยู่นอกตนนอกตัวมีอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเมื่อบวชได้รักษ า, ากิ จ, จวัตรแล้วบุญนั้นก็จะเลื่อนลอยมาจากสถานที่ต่างๆมีหน้ารัยเวหาอากาศเป็นต้นมานำเอาตัวขึ้นไปสู่สวรรค์และพระนิพพาน เห็นไปโดยทางผิดเช่นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอนตนผู้ทิ่รู้จักบาปเข้าใจว่าบาปนั้นอยู่นอกตนนอกตัวเมื่อทำบาปแล้วบาปนั้นก็จะลุกมาแต่นรกใต้พื้นดิน มาจับกุมคุมเอาตัวลงไปสู่นรกการที่ทําความเข้าใจอย่างนี้ย่อมเป็นคนหลงสิ้นทางนั้นดูก่อนอา น, นุนสุขก็ดีทุกข์ก็ดีบาปบุญคุณโทษก็ดีย่อมมีอยู่ที่เราจะเข้าใจว่าบาปบุญอยู่ภายนอกตัวทําบุญแล้วคอยท่าบุญจกมานําเอาตัวไปสู่สุขติคิดอย่างนี้ตั้งร้อยชาติแสนชาติ ก็ไม่อาจได้อันว่าบุญบาปสุขทุกย่อมไม่มีณนะภายนอกตัวบุญกุศลและความสุขนั้นก็คือดวงจิตส่วนบาปกรรมทุกโทษนั้นคือมูอแห่งตันหานัหานั้นจะมีณที่อื่นนอกจากตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวบุญและตัวบาปก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อตัวไม่ชอบทุกขอยากได้ความสุข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 จนออกบวชในพระพุทธศาสนาก็หาความสุขไม่ได้จะได้เสวยแต่ความทุกโดยถ่ายเดียวดูก่อนอ น, นุนบุญกับสุขหากเป็นอันเดียวกันเมื่อมีบุญก็ชื่อว่ามีความสุขบาปกับทกุก็เป็นอันเดียวกันเมื่อมีบาปก็ได้ชื่อว่ามีความทุกข์ถ้าไม่รู้บาปก็ระบาปไม่ได้ถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้ เปรียบเหมือนเราอยากได้ทองคําแต่เราหารู้ไม่ว่าทองคํานั้นมีรูปพันธสันฐานอย่างไรถึงทองคํานั้นมีอยู่และเห็นอยู่เต็มตาก็ไม่อาจถือเอาได้โดยเหตุที่ไม่รู้จักแม้บุญก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้อย่าว่าแต่บุญซึ่งเป็นของไม่มีรูปร่างเลยแม้แต่สิ่งของอื่นๆที่มีรูปร่างถ้าหากว่าเราไม่รู้จัก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 ตถาคตก็หากล่าวปฏิเสธไม่ทําบุญก็คงได้บุญและได้สุขนั่นแลแต่ถ้ว่าตัวหากไม่รู้จักไม่เข้าใจบุญแลงความสุขก็ยังเกิดอยู่ที่ตัวนั่นเองแต่ตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเป็นอันมีบุญและสุขไว้เปล่าๆดูก่อน อ, อ น, นุนบุคคลจําพวกที่ไม่รู้จักบุญคือความสุขเมื่อทําบุญแล้ว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 ตัดเทศนาแก่ค่าอานนท์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์บุคคลที่เข้าใจว่าทําบุญไว้มากๆแล้วจกรู้แลไม่รู้ก็ไม่เป็นไร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 ใครจะช่วยใครไม่ได้ใครจะพาใครไปนรกและสวรรค์และพระนิพพานนั้นไม่ได้จะไปนรกหรือจะไปสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องไปด้วยตัวเองจะพาเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้เป็นอันขาดก็แล้วผู้ใดอยากพ้นจากนรกสุขในเมืองผีก็จงทําตนให้พ้นจากนรกดิบในเมืองคนเรานี้เสียก่อนจึงจะพ้นจากนรกสุขในเมืองผีได้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 ก็หาได้ถึงสวรรค์สุขในชั้นฟ้าชั้นใดๆก็ดีสุขกับทุกขก็มีอยู่เสมอกันเป็นความสุขที่ยังไม่ปราศจากทุกข์ไม่เหมือนพระนิพพานซึ่งเป็นเอกันตะบรมสุขมีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่ได้เจือปนไปด้วยทุกเลย ดูก่อาโนอ น, อ, นอันว่าสวรรดิบในเมืองคนเหล่านี้ก็คือความได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสมบัติข้าวของและเกียรติยศและบริวารยศและนามยศเมื่อบุคคลใดได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้เสวยสุขในสวรรดิบผู้ปรารถนาความสุขในภายภาคหน้าก็จะได้รับความสุขแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่าเห็นแก่ความลาบากยากแค้น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 นอนก็สุขได้ทีเดียวความสุขในพระนิพพานจะว่ายากก็เหมือนง่ายจะว่าง่ายก็เหมือนยากที่ว่ายากนั้นยากเพราะไม่รู้ไม่เห็นพานปุถุชนคนตามืดทั้งหลายรู้ไม่ถูกที่เห็นไม่ถูกที่จับไม่ถูกที่จึงต้องภาคเพียรพยายามหลายอย่างหลายประการและเป็นการเปล่าจากประโยชน์ด้วยส่วนท่านที่มีปัญญา พิจารณาถูกที่จับถูกที่แล้วไม่ต้องทำอะไรให้ยากหลายสิ่งหลายอย่างนั่งนั่งนอนๆอนอยู่เปล่าๆ เ, เท่านั้นความสุขในพระนิพพานก็มาบังเกิดขึ้นแก่ท่านได้เสมอเพราะเหตุฉะนั้นจึงว่าความสุขในพระนิพพานไม่เป็นสุขที่เจือไปด้วยความทุกข์